เรื่องกาคือกเสียงเหงนง่าคือบกล่าวแบบว่าเราเห็นใจอ่มันไม่คุ้มค่ากับเบื้องของเราเืยเพราะั้นจึงต้องหลบเข้าหนึ่เราอยู่คนเดียว่าอะไรย่างนีเราม่ค่ามากมันมามอย่างนั้นมีค่าะรน่รางความของบน ลำบากลบนในชาติข well, so ouais. so, ันของเราเขาก็ได้เป็นดีใส่นี้หน่อยตอนนั้นเองจึงห้องลำบากมากนะผมนี่ลำบากเข้าไปครัวอังตรัวนั่เป็นความกระบอกกระบายไปไงเพราะคนรู้ทั่วโลกว่างันเลยไม่รู้เพียงวังไคเงรู้ทั่วโลกไอ้วางไคไปยีงไงก็ไปก็เขาเห็นในชีวิตหมดแล้ว กวนั้างนั้นนะ่ะมึงจงไปงนเวยคือมีกายมึงงานมีเหตุมีผลมีงอกมีเกิดไปเป็นยะระยะทนเอ า, อาอนั้นอเกิมารุมอย่างนั้นตลอดโอ้ยไม่ได้นะเนี่ยลำบากอมขืญนจริงการเทศนาว่าการทั้งหน้าทั้งตาเทศน์ดขณะนั้น พอจกแล้วก็วางไปเป็นระยะระยะระยะอืมปีกเนไม่ได้ดยั่วเยี่ยวกับใครอย่างเงีนะ้ยใครจะมายั่เยี่ยวกับเราไม่นจึงไม่ไ ด, ด้วางออกมาแ <c oughs> ง่กรรมสู่สมุนเป็นบาง <c oughs> การบางเวลาที่เห็นต้องควรต้องควรกานั้น ก็เริ่มพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้และคนแก่จะให้เป็นจังหวะตาคนมันไม่ได้หรอกพูดอยู่จะฟังมันเป็นคติมันก็ได้จากเสียงจากเสียงไปเรื่องจิตนี้เขาพิลึกพิรัญนะผมจึงอยากให้เพื่อนฝูงทั้งหลายสนใจกับธรรมของพระพุทธเจ้ า, านะเรื่องขนาดไหนพูดไม่ได้เลย พูดอะไรไปฟังว่ามีใครรู้เรื่องเหรอคือพู้เจ้าท้าพระไช่ตั้งแต่พูดจังเทศเมื่อเช้าเนี่ยมันผางผางออกเห็นไหมกันไม่วัดลอยไปพูดถึงเจ้าอย่างว่ามันเป็นขึ้นเต็มเหนี่ยวแล้วมันพุ่งออกมาเล ย, เยกำลังของธรรมของความอัศจรรย์ใครจะมีเจตนาอะไร อืม <c oughs> ไปวัดรอยพระพุทธ เ, เจ้าให้เป็นคู่แข่งขันพระเจ้ากราบจนสนิทในหัวใจแล้วจะไปมีเจตนาไร้ายแม้ยับหนึ่งก็ไม่มีเลยไอ้โลกมันฟังเป็นความโสโครกไปหมดทั้งสิ่งอันนี้นนที่โซเล่เพราะโลกโสโครกเอาความสวัสดิเข้ามาไม่ได้ต้องเอาแต่ความโสโครกก้วนเข้ามากว้านเข้ามาโลกเป็นอย่างนั้น มันธรรมชาตินี้มันไม่ไม่เหมือนอะไรเลยใช่หรว่าไงนี่แล้วคนอย่างการปฏิบัติปฏิบัติมนันแทบล้มแทบตายผมยมากว่าผมหนักที่สุดเรื่องความเที่ยงพูดให้ใครฟังไม่อยากมีใครเชื่อนะมันเป็นนเจ้าของเองนะี่ใสยแล้วเด็ดซะด้วยนะว่าอย่างไรแล้วเด็ดขาดซะด้วยว่าเจ้าของนี้ยิ่งว่าเอานาเท่านั้นเนี่ยเคลื่อนไม่ได้เลย เหมือนหินหักอย่างเงีมาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเสียนั่นมันเป็นสมะมันไม่เป็นหินธรรมชาตินะอันนี้ถลงได้เอาหนาว่างั้นมันขาดไปเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจิตนี่รู้สึกว่าจะผิดแปลกทั้งหลายอยู่มากทีเดียวจิตผมนะไอ้พูดอย่างนี้ก็คนก็อาจจะว่าโอ้ว่าเราความจริงมาพูดแล้วส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีใครเหมือนนะ ยังดูหนุ่เพื่อนอยู่ในวันนี้ผมคนดูเฉยนะือเหมือนขอนต่งเก่งๆก้างๆดูอะไรอะไรเมี่ยคนจะกแ ก, ก้กิเลสค่ากิเลสกับกิาการอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยคือธรรมะจะเด็ดเด็ดเด็ดเพื่อมาขนยุพาแล้วกับสิ่งของนี้มันจะเข้ากันไม่ได้เนี่ยเก่งๆก้างๆ ือ้เวลาถึงขั้นอัศจรรย์ไม่ไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนะนี่หละตักธรรมชาติขึ้นแท้ๆไม่ถามใครทั้งนั้นนะ่ะเป็นหลักธรรมชาติตัวเองเมื่อเหตุผลพร้อมไปแล้วขึงออกมานี่ยโถจิตเราเนี่ยมันมันมีนิสัยเด็ดอยู่มาตั้งแต่คารวสมีอยู่ กับความจริงนี่ไม่รู้ชัดแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าเป็นอัดเป็นธทำอะไรและตามนิสัยสา ม, มาศาสนาอะไรอย่างั้นก็เลยตามภาษาว่างั้นเถอะแต่การโคลค้าสมาคมนี่มันตัางมีในจิตนะอะคนใดรอๆเลยแหละไม่อยากเล่นด้วยนะแล้ว mm hmm. ยิ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวบอกคนตนหนี่สีเหนียวนี่เข้าไม่ได้นะตั้งแต่เป็นคารว่าก็ไม่เข้าแล้วก็เป็นเราธรรมดานะ แต่มันนักแปลกต่างกันให้เข้าไม่ได้นั่นแหละอืมเพราะนี้สายเราก็เป็นเหมือนโลกทั่วไปไม่จะหนี่ทีเหนียวอืมไอ้ที่ไหนทํางานนี้ไปที่ไห น, ไไหนมู่เพื่อนลุมเลยละ่ะเราไปทํางานที่ไหนเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวมีมากมีน้อยอะไรมากก็น้อยแจก่กันทั่วถึงหมดดีไม่ดีจะของได้น้อยกว่าที่จะให้ได้เสมอมู่เพื่อนเนี่ยแหม มันควรจะเสมอจริงถึงจะเสมอถ้าจะไม่เสมอเราต้องลดท่องเราลงพักเป็นในจิตเองเพราะฉะนั้นเพื่อนสูงจึงมีมากไปที่ไหนทําการทํางาน <c oughs> อะไรก็ตามเพราะเราขูนะ่อะไรโกงอะไร น, นิสัยเราไม่ใช่นิสัยคนชี้เจียงนิสัยเอาจริงเอาจังทําาำอะไรๆอ่อนๆ อ, อ, น อ, อนะไรนี้ไม่นะนี่เป็นนิสัยเป็นอย่างนั้นก็เข้ากันได้กับที่โยมพ่อพูดนะ ยมพ่อยมแม่เนี่ยไม่เคยชมแล้วแต่ว่าจะอยู่ในในตัวถ้าเราปล่อยให้เราทํางานอะไรแล้วนี่โอหพวกน้องๆนี่อยากแตกเหมือนกับว่ามันจะร้องไห้ตามอนะถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยมันเอาจริงจริงๆเนี่ยคือเอาแทนพ่อแทนแม่อย่าให้นี่ต้องตินู่นอไม่อย่างงั้นนะถ้าลงได้ทําอะไรไปเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นมันถึงมาฟ้องแม่พวกน้องๆก็อย่างเขียนไว้นั่นแหละ มีเสียไม่เปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอย่างั้นจริงๆแม่ไม่ไม่ไปด้วยนะนั่นหละ่ะหูไม่เป็นตาสะแตกว่อะไรมันดัดอยางนั้นกะพอดนะีเป็นอย่างนั้นละ่ะถ้ามีเราเป็นหัวหน้างานถ้าไปกับพ่อกับแม่ก็ธรรมดาขึ้นเมื่อไรก็หยุดเมื่อไรก็หยุดไม่ว่าเกี่ยวเข้าเกี่ยวนะ้าไม่ว่าดําไร่ดรํานาอะไรทํางานอะไรทีเกี่ยวข้องกั็เป็นส่วนรวม ให้เราเป็นหัวหน้า ง, งานเราเป็นอย่างนั้นละพวงน้องๆเราโอ้ยมันจะตายแล้วครับพ่อแม่ไปด้วยเป็นหัวหน้า ง, งานแล้วเราก็ทำมาลาเหมือนกันมดัดมันเป็นอย่างนั้นนีิสยัยอันเนียพ่อจึงได้มายกเอาตอนนั้นนละตอนน้ําตาล่วงออกมาที่เราไม่บวชให้เสียใจมากกําลังรับทานเป็นวงมันอยู่นี้ เราไม่เหลือมโอ้ยฝังลึกมา น, นี่ละที่เห็นจะได้บวชน้ำตาพ่อนะทำไมอย่างนั้นนั้นจังจะไม่บวชนะพอน้ำตาล่วงพอล่วงอโอ้โหถ้าดูปังอะยลูกออกจากที่แล้วนั้นับทานไม่ไม่อิ่มนะลูกหนีเลยสะเทือนใจนักอพอพูดพอฟังจบแค่นั่นแหละนะเออลูกกูก็มีหลายคนวาอย่างนี้นะ คนเหล่านั้นกูไม่ค่อยหวังพึ่งมันอะไรอะไรเลเนี่ยว่าอางนั้นนะไอ้บัวนี่มันกูพึ่งได้เลยฮถ้าลงมันได้ทําอะไรแล้วการงานอะไรนี่กูสู้มันไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเราไม่ลืมนะถ้าลงมันได้ทําอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้แต่อันนี่ยมาลงจุนเนี่ยคีดว่ามันไม่บวชให้เนี่ยเวลากูตายแล้วถ้ไอ้นี้มันลากกูขึ้นนรกไม่ได้ ไม่มีใครจะลากก่นนะลูกทุกคนวางกูนี่ต้องจมในลรกไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่า น, น, น้ำตาล่วงเราไม่สลดสาวเอศปังในกันทีเลยกูอาศัยมันคนเดียวทั้นี้ลูกผู้ชายกันมีสามสี่คนแล้วมาลงในเราคนเดียวเวลาลงนี่ย อ, ยอเพื่อทุ่มลงเราก็รู้ แต่ก่อนไม่ยอแต่หักรู้ว่าไว้ใจอยู่ตลอดถ้าลงเราอลไรลั่นคําอะไรแล้วพ่อนีิเชื่อนะเพราะปีกจริงความจริงมาเป็นคารวะไปอย่างนั้นถ้าว่ามีหกักมีอุบายละพ่อพูดเออกูอยากไปธุระนั่นธุระนี่อะไรอ่ะไปนะแต่ไม่มีไงทศตวรรา ม, มาในกูอย่างนั้นอย่างนี้นะพอเราฟังแล้วเออไปละับผมจะทําให้ตอนนั้นแล้วว่าอยากเตรียมของอยู่ยนั้นเลย คือมันจริงจริ ง, รงถ้าลงรัตนคแล้วมาได้เรียบเลยแหละอยี่ยเพราะฉะว่ากูสู้มันไม่ได้ให้ไว้ใจทุกอย่างถ้าลงทําอะไรเนี่ยมาช่วยชี้ให้พ่อแม่ได้เก็บกรรมนี้ไม่มีสําหรับผมเองไม่มีถ้าลงลงมือทําอะไรแล้วพ่อจึงได้ว่ากูสู้มันไม่ได้เนี่ยเวลาบวชมันก็จริงทางบวชนี่นะ ทุกอย่างนะพระวินัยไม่เคยมีเจตนาจะข้ามเกินเลยและลึกไม่ไเลยความอิริโอตปะรักสงวนมากในพระวินัยเป็นอันดับหนึ่ง่วรทำเมันกะพิพิธภาณหากได้ตำหนิตนเองไปเรื่อยๆอ่านไปดูไปนะตรงนี้เราก็เคยเป็นท่านตำหนิว่างั้นเราผิดมาแล้วนี่นะ กินมาแล้วผิวนีส่วนวินัยไม่มีบอกงงงเลยผมผมไม่เคยมแค่มวดกวดขันมาก <c oughs> ไปที่ไหนอบอุ่นอบอุ่นตลอดเข้าในป่าในเขาเพียงศีลเท่านั้นพอนะอบอุ่นมดเลย <c oughs> ไม่ไม่เดือดร้อนกันที่ไปกลัวตายกลัวเป็นอะไรนี้ อาศัยศีลเท่านั้นอบอุ่นแล้วตายก็ไม่ตกนรกเลยวะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องศีลนีรักษาแ ล, แล้วจึงมาเห็นดีที่พระพุพทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้นีที่กับพระอานนท์สุ ก, การาอานนท์แล้วจะอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกที่พระอานนท์ทูลรัตนา ให้ท่านทรงพระชนอยู่เป็นเวลานา น, นไม่ยังให้อยาให้นิพพานง่ายง่าอนุนมาหวังอะไรกับเร า, าพูดภาษาของเราเราก็ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นเองทําแล้ววินยัยอะไรเราสอนไว้หมดแล้วแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกเหนีย่ยวทำวินยัยนี่นะท่านถึงย่นเข้ามาอีกว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละ จะเป็นศาสตราของเถอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นดูก่นอนอนนต์เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอนุ์มันถึงใจทั้งนั้นนะทีนี้เราก็าเคยประคองรักสงวน พระวินัยทำแล้วเรายังไม่เข้าใจอะไรนักล่ะยกไว้จะตามความเซื่อซ่าซ่าแต่พระวินัยนี่แม่นยำมากทีเดียว <c oughs> อันว่าพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสราของเธอทั้งหลาย <c oughs> แทนเราจะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่แหละเป็นบทสำคัญมากขอให้หมู่เพื่อน ยกเอาหลักทำหลักที่ไหนมาติดแนบกับใจประครับประคองด้วยความมีสติปัญญาความภาคความเพียรความระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนศาสตดาด้วยการข้ามเกินธรรมที่ไหนให้มีความประคองศาสดาอยู่ด้วยฮีโรตปะสะรุ่งกลัวต่อบาปตัวกรรมตามพระวินัยที่ทรงห้ามไวแล้วอย่างไรอย่าพากันฝ่าฝืนนะ ไปที่ไหนเราจะมีาศาสดราติดตัวเราตลอดเวลาแล้วอบอุ่นถ้าเรามีความสังรวมระวังรักสงวนาศาสดาคือธรรมใน ห, หนไว้ในใจของเราด้วยความมีสติแล้ววัดระวังอยู่ตลอดเวลาปัญญานั้นออกเข้าเดินเป็นระยะระยะแล้วเราจะอบอุ่นเป็นลำดับลำดา <c oughs> นี่ยสําคัญมาก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 วิริยะทำทำจัดรักษาตลอดเวลาที่เรียกว่ารมแท้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปคำนึงคำนวณ เ, เวลาเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่จะเอามรคนิพพานกับเวลาเวลาผิดทั้งเพให้เอาจากองศาสด า, า, าที่ประทานไว้แล้วแทนพระศาสดาของเรา เป็นอาจารย์ของเราเป็นศาสตราของเราด้วยหลักธรรมหลักวินัยอย่าข้ามเกินนะข้ามเกินนิดผิดนิดผิดนิดนัด่นนี่ลศาสตราแท้ข้ามเกินก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ยีเหยียบหัวเราในขณะเดียวกันให้พาคระมัดระวังศีล่าให้หล่างพร้อยนะให้รักสงวนอย่างยิ่งอย่าเอากิเลสตัณหา มาแทกเป็นทิฏฐิมานะเห็นเป็นความสะดวกสบายไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องเลวร้วายมากนะถ้าลงว่าไม่เป็นไรแลวเลวร้วายมากนะไม่เป็นไรก็แล้วก็องศาสด า, า, า, า, าทั้งองค์คือวินยัยคือธรรมอันดับแรกก็คือคือวินยัยนี่แหละกัน้นาะเป็นรั้วกัน้นสองฝากทางให้ก้าวเดินไปตามแถวของธรรม อย่าข้ามอย่าเกินอย่าเปลี่ยนอย่าแวะออกนอกรูด อ, อกทางที่พระวินัยเป็นรั้วกั้นใบเรียบร้อยแล้วให้สั้งรวนระวังอยู่ในรั้วคือพระวินัยอันนี้สําคัญเพศของพระชีวิตของพระเต็มองค์ของพระอยู่กับพระวินัยร้นร่นร่วนทำแล้วก็บําเพ็ญขึ้นไปเลยๆสําหรับพระวินัยให้คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยความเป็นพระ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 นี่หละหลักสำคัญมากศาสดาแสดงไว้ตรงไหนให้ถือเป็นสำคัญยาวการสถานที่เวลาเวลาอะไรเข้ามาบีบบังคับหรือทำลายให้ทำความเลวร้ายด้วยความเห็นแจ่ได้แก่ทาความสะดวกเขาว่านี่ไม่ใช่ศาสดานะความสะดวกคือเรื่องมารของธรรมมารของศาสดาแล้วก็มารของเราโดยต่ง ให้พากันนะมัดระวังการลมัดระวังตัวของเรานี่เนี่ยคือสมบัติอันล้นค่าอยู่ที่นี่นะอยู่ที่การลมัดระวังตัวกับรมกับนี่ไหนีน่แหละมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่นะอย่าไปหาตามดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมสถานที่นั่นที่นี่โดยสําคัญว่าเป็นมรรคเป็นผลไม่มีอยู่ที่จุด รามัดระวังตัวด้วยความมีสติภวินก็มีสติรักษาอยู่ภวในไม่ค่าเคลื่อนธรรมก็มีสติรักษาอยู่ด้วยการมิตรภาวนาของตนเช่นสติต่ออยู่ตลอดเวลาสมปัจจัยเคลื่อนไหวไปมาอะไรให้มีความรู้ตัวเสมอนี่เรียกว่าผู้เห็นภัยในวัตะสงสาร ให้พากันระมัดระวังอยู่ตรงนี้นะมรคนิพานไม่อยู่ที่ไหนศาสตรา ส, สอนลงตรงไหนนั่นแหละมรคนิพานอยู่ตรงนั้นนรกอวิชีก็อยู่ตรงนั้นถ้าสอนให้ละหรือสอนให้ระวังข้ามเกินไปเสียนั่นนรกอวิชีอยู่ตรงนั้นพระวาจนาะเที่ยวนี้เด็ดขาดมากทีเดียวนะ่ะไม่มีค้าดเคลื่อนไปเลยไม่ว่าดีว่าชั่วผิดถูก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 กิเลมันผลักดันออกมาขัดมาแย้งอยู่นั่นละ่ะให้คิดตามเรื่องของพิเลสมันมีกำลังมากดีไม่ดีปัดคำบริกรรมของเราออกจากใจสติปัดทิ้งลงเหวลงบ่อไปมีแต่ความอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งตามอารมณ์ของกิเรสที่มันรุนแรงเปิดทาง ของเกลื่อนตัวอีาเดียวโล่งไปหมดนั่นแหละคือไฟในโลกเผาใจในขณนะนั้นนี่แหละให้สู้กันตรงนี้นะมันจะอยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรความอยากนี้คือภัยให้ว่างั้นเลยการต่อสู้ความอยากคิดอยากปรุงนี้คือการลบกันจะเอาชาชนะกันไม่ยอมให้สีทต้องเอากันอย่างนั้นไม่เสียดายความคิด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 พระองค์นี้ให้อยู่ด้วยกันแล้วอย่าหวังเอาอะไรเอานี้ก่อนเบื้องต้นขอให้กินได้ครับความสงบจากความฟุ้งซ่านที่กิเลสลากถูไปไม่มีวันอิ่มพอจะฟุ้งซ่านตลอดไปถ้าเราไม่หักห้ามด้วยธรรมหรือความภาคเปลี่ยนสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะวิริยะธรรมขันติธรรมอดทนมันอยากจะคีดขนาดไหนให้ห้ามเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นภยัย ทำเห็นภพ่ต่อสิ่งวันนี้เรายังจะเห็นสิ่งวันนี้ว่าเป็นคุณยังคิดยังอ่านตามมันอยากคิดอยากอ่านอยู่แล้วนั่นแหละเราเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตัวเองจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ภาวานาวันไหนก็สู้เย่ดความอยากคิดอยากปรุงไม่ได้มันลากไปห้าทบีปห้าทวีปอย่างนี้ตลอดไปใช้ไม่ได้เลยนะไม่เข้าท่าเข้าทีกับผู้มาตั้ง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 มันผ ล, ลักดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงคืออวิชชาปัจิญานั่นแหละพาให้อยากคิดอยากปรุงออกมาแต่ก่อนเราไม่รู้นะมีแต่ความอยากคิดอยากปรุงมันออกมาจากอะไรไม่มีทางแล้วเวลาจิตมันตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามามันก็เห็นแต่อวิชชาที่มันคิดออกมาจากนั้นอ๋อตรงนี้ตรงป้อนเอหยื่อให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 คําบริกรรมให้ติดไว้เสมอแล้วต่อไปไม่นานใจเนี้จะค่อยสงบจะค่อยเย็นลงไปสงบลงไปความปักด้านของกิเลสที่พาคิดต่างๆก็เบาลงเบาลงนี่นี่ทํามาแล้วนะอืมไม่ใช่ธรรมดาต้องเอาสละเป็นสลัตายจริงๆซาดกันเลยไม่ให้เผลอคิดดูที่ตั้งต้นที่แรกนี่แหละคําสัตว์คำจริงเหมือนว่าละกังดังแป่ง น, นี่นั่งมวยฟัดกันเลยอันนี้ก็บลักังดังแป่งคือ ซัดจากความจริงของเราลงจุดแล้วเน่ากันพอว่างั้นเอาเลยก่อนที่จะมาไปลงจุดนี่คือเราได้คข้ควรถึงเรื่องจิตเราจเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาเป็นปีกวา่าอ๋อมันเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดเดือนเมษาปีหนะ้านานเท่าไหร่นี่แหละตกนรกทั้งเป็นไมแหะทุกแสนสหาหัสนะเพราะงั้นจึงเข็ด จ, จึงลาบ เร่งจิตเสื่มนี้ทุกมากยิ่งกว่าจิตไม่เป็นอะไรซึ่งเราไม่เคยได้อบรมมาแต่ก่อนไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็ธรรมดามันแต่จิตได้หลักได้เกณฑ์มีความสม า, ภ า, ภาพะเผยมีคุณค่าขึ้นมาในใจสงบลมเย็นอยู่ไหนเย็นหมดเย็นหมดแล้วมาเสื่อมเพราะเราไม่เคยเราไม่รู้จักวิธีรักษานั่นสิมันถึงได้เสื่อมทํายังไงทำํำยังไงมันจเจริญขึ้นมา แทบเป็นแท็บตายเลยสิบสี่ิบห้าวันค่อยเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปไปอยู่นั่นถึงถึงจุดที่มันจะลดตัวมันไปอยู่นั่นแหละไปอยู่ได้สองคืนสามคืนที่นี้พอเคลื่อนที่นี้ลงเลยนะทายังไงก็ไม่อยู่ห้ามยังไงก็ไม่อยู่ลงต่อหน้าต่อตาจนชุดฉีดยังเหลือแต่อีตาบัวมดข่ามูลราคาพยายามใส่ขึ้นมาอีกอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไาจนไป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 ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่เราจะทําอย่างนั้นว่างกันเพราะทําอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้ละเอาพินิจใจใจลงลงลงกันได้แหละที่นี่เอาอย่างนี้แน่นอนนี่จึงเที่ยวกับเหมือนกับว่าละคังแป่งเราเอาเลยเอาหาที่นี่นั่นแหละนะพอพะว่าเอาสติจะเผลอไปไว้เลยที่นี่ตั้งเจ้ บ, บัดนี้ต่อไป เ, เรียกว่าขึ้นต่อยวงเวทีแล้วนี่เหมือนหนึ่งว่าละคังดังเป่งนัอมื่ก็ซัดกันเลย อันนี้พอระคังดังเป่งคือสัญญาลงจุดแล้วที่นี่สติจับปุ๊บเลยไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนเอาไม่ให้เผลอจริงๆนี่จับอยู่ตลอดเวลานี่เป็นทุกมากนะทุกมากที่สุดโทรก็ไม่ถอยอืตั้งอติพุโทโธพุโทโธอยู่กับนั้นไม่ให้เผลอให้ติดกันตลอดตลอดเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไม่ถือเป็นงานสําคัญยิ่งกว่า ไม่เผอกับคำบุรีกรรมอย่างเงไปบินธบาดก็ก้าวไปแต่แข้งจากขาเขาอะไรมาใส่พุโทโธไม่ไม่ได้ปล่อยเลยเอามีอะไรใส่ก็ลากไปลากไปแต่พุโทโธกับคำอ่ะสตินี่ติดแนบติดแนบไม่นานนักนะคือเอาจริงออกจังไม่เผอจริงๆจนกระทั่งหลับเล ย, ยนี่จะว่าทุกข์มากนะการตั้งสติ แบบโอจริงเอจังถึงขนาดที่ว่าละคังดังเป่งนี่เรียกว่าเป็นคำสาดจำจริงต่อยก็ยังถึงเพลิดถึงขิงจิตนี่จะเผอไปก็ได้ว่างั้นเลยเพราะว่าเอาหน้าวันกับที่นี่ตั้งอย่นี้ไม่เผยเลยว่าใส่กันไม่หลายวันนะแล้วที่นี่จิตมันก็ค่อยค่อยสงบค่อยสงบสิ่งที่ผลักดันคือความชิดปรุงของกิเลส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 เหลือจากความรู้ที่ละเอียดนึกคําบริกรรมไม่ได้เลยงงเจ้าของอา้าวมันเป็นยังไงอย่างนี้ไม่งงก็ไม่เผอนะเนะี่ยมันเป็นยังไงที่นี่จะก่อนคําบริกรรมกำหน ด, ดบริกรรมได้บัดนี้ทําไมมันบริกรรมไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เผอแต่เนึกเป็นคําบริกรรมไม่มีเลยนี่ตัดสินเจ้าของอีกว่าเา้าถึงไม่มีก็ตามคําบริกรรม ความรู้มีอยู่เอาสติจับกับความรู้เลยอ่ะมันจะเป็นไหนให้รู้กันสติจับไม่เผลอเช่นเดียวกับเราบริกรรมมันแหละให้สติจับนั่นนั้นนี่เวลาสติจับอยู่กับอาจิต ท, ที่มันละเอียดแล้วอนั่นแล้วแล้วพอได้จังหวะโอ้นี่มันสงบนะ น, นั่นนะคือมันสงบบริกรรมไม่ได้เลยทั้งๆ ท, ที่ไม่เผลอไ ป, ไปไปยังอื่นทั้งหลายแหละแต่บริกรรมไม่ได้เห็นจัดเป็น เอาเอาให้สติอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงวะสติทีนี้พอได้จังหวะมันก็ข้อคลี่คลายออกมาเพราะเราไม่เผลอมันตามกันได้ทุกอย่างเพราะคลี่คลายมาเอาบริกรรมทดลองดูเพราะนึกบริกรรมได้ได้ได้เอาเลยนั่นแหละเข้าเลยเอาอีกทีนี้ก็บบริกรรมได้อีกนะมันถอยออกมาแล้วได้อีก ทีนี้เวลามันไ่้จังหวะมันก็ลงอีกแบบเกา่าที่นี่รู้จากวิธีปฏิบัติแล้วเอาลงอย่างนั้นก็ให้มีสติจอนี่แหละไม่นานจิตก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้ทีนี้จิต เ, เลื่อนขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเรืยอยจนกระทั่งถึงที่มันเคยได้แล้วมันเสื่อมเอาที่นี่เอามันเสื่อมให้เสื่อมไปคําว่าพุโทโธกับ ใจนี้จะไม่เสื่อมจากกันชติไม่เสื่อมจากกันอนั้นจะเสื่อมไปไหนเสื่อมเพราะเราเคยอินนาละใจด้ทุกทรมานกันมาแล้วไม่อยากให้เสื่อมซะเลยมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเอาจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปเจริญก็ให้รู้กันเสื่อมก็ให้รู้กันแต่พุทโธนี้จะไม่ยอมให้ให้เสื่อมให้ขาดจากเป็นคำบริกรรมนี้เลยแต่เรื่อยเื่อยพอไปถึงขั้นที่มันเคย เคยขึ้นแล้วมันจะลงนะมันเคยธรรมดามันถึงแล้วมันต้องลงพอไปถึงแล้วมันปล่อยเลยเอาลงก็ลงแต่คำบริกรรมพุทโธนี้จะไม่ยอมปล่อยติดแนบเลยพอไปถึงนั้นแล้วมันเลยไม่ลงละมันคงมันนาแน่อยู่นั้นเอาเอาอยู่กับนั้นอีกเอามันจะไปไหนก็ไปพุทโธนี้จะไม่ปล่อยเมื่อบริกรรมได้อยู่แล้วไม่ปล่อยอันี้มันก็ค่อยหนาแน่นขึ้ที่ไม่ไม่เสื่อมอย่างนะที่มันก็เจริญขึ้น สิบส้าวันถึงขึ้นเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ได้สองสามวันลงเลยลงเลยไม่ลงไม่ลงเอาปล่อยมันจะไปไหนไปพุทโธไม่ปล่อยขึ้นไปค่อยหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจนจับได้ที่นี่มันไม่ลงที่นี่มิจะขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยอ๋อนี่กินเรานี่เสื่อมเพราะขาดทําบุญกรรมจริงๆนั่นนะจับได้เนี่ยซาตเวจงกระทั่งจิตนี่เป็น แท่งแห่งความรู้เด็กอยู่กับนี้แล้วที่นี้เอาสติจับไว้กับความรู้บริกรรมมละเอียดมากเมื่อมันพอบริกรรมพอบริกรรมแล้วอยู่ย่งางบริกรรมนะนี่เมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดไม่รวมมันก็ละเอียดความรู้เนี่ยมันละเอียดให้อยู่กับนั่นสติติดอยู่กับนั่น ต่อไปนั้นก็ก้าวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเยลยนี่แหละ ว, วิธีตั้งจิตในสั้นๆจาบมาไว้ผมทํามาเป็นแบบฉบับแล้วนะหายสงสัยนิดผมตั้งขึ้นได้เพราะอันนี้เองไม่เสื่อมอีกเลยจากนั้นก็คือไ ป, ไปรับพ่อแม่กุญแจามาจากนักอํานพระนมท่านไปเผาศพพ่อแม่กุญแจเสากลับมาก็มาด้วยกันพอมาเนีนหมดภาระละท่นี่เอาละที่นี่หมดภาระไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ถอยนะกคำบริกรรมถอยเมื่อไหร่ พอกลับมาแล้วหมดภาระที่นี่เอาจะเอาให้เต็มเหนียวฟาดกันเลยนั่งหามรุ่งหามค่ํานะที่นี่พอกลับมายังไม่ได้เข้าพรรษานะนั่งหามรุ่งหามค่ำได้เลยทีเดียวนี่จิตแสดงความแปลกประหลาดอจรันย์ขึ้นมาในเวลา น, นั่งตลอดรุ่งนี่ทุกขืนไม่มีพลาดเลยนะเป็นแต่เพียงว่าลงช้าหรือเร็วต่างกันถ้าวันไหน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 คือนั่งอยู่ในระยะนั้นก็อยู่กับครูอาจารย์กับพระกับเนนม่านนาโมนเราไม่ลืมพรรษาที่สิบเป็นพรรษาที่ผมหนักมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจจิตใจก็ทรมานอย่างหนักกายก็ทรมานอย่างหนักลงได้ทุกคืนนี่ก็คือสลาตายนั่นเองมันถึงลงได้มันจะเจ็บกะปวดกันาะไหนเอาไล่เบี้ยกันลงไปเลยมันเจ็บตรงไหนมาก มันสมมติมันเจ็บเข่าหรืว่าเจ็บเข่ามันเจ็บหนังหรือเจ็บเนื้อถ้ามาเจ็บหนังมาหนังเป็นทุกเวลาหนังเป็นเป็นทุกเวลาคนตายแล้วหนังมีอยู่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเป็นทุกเนื้อเป็นทุกคนตายแล้วเนื้อก็มีอยู่เผาไฟไม่เห็นเป็นอะไรจนกระทั่งกระดูกกับต่ายแท้พุงสกลร่กายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยสติปัญญาหมุนติ้วติ้วนะเวลาทุกข์มากเนี่เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะ สติปัญญาต้องหมุนติวติวจะไปทนเฉยเฉยไม่ได้นะมันหนักมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนตลอดเลยเดี๋ยวมันได้จังหวะอีกมันก็นลงผึงเลยนี่พอลงนี่มันว่างหมดเลยอศัศจรรย์เหลือแต่ความปรากฏความปรากฏนั่นละเอียดสุดขีดเลยนั่นแหละเล่นแล้วจ้าแล้วพอได้สักสีประญาวันนี้แล้ววันหลังยิ่งก้าหานใหญ่เลย ออามันจะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นนี่สักขีพยานเราได้แล้วมันยิ่งหนักแั่นสร้างงไปนั่งเก้าคืนส0บคืนแต่ไม่เว้นแต่แ ต, แต่แต่ไม่ติดกันเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่นละผมตั้งหลักได้จิต <c oughs> ใจแน่นหนามันคงปึ๋งปึ๋งเะยเ่างนีนะ <c oughs> นี่การฝึกหัดตนเองต้องมีความจริงใจต่อตอนอย่าทำแล้วหล่อแหลกนะ ถึงวันตายก็รอแหล ะ, หละอยู่อย่างนี้ระความรอแหละไม่สร้างสาระคุณอะไรให้เราเลยต้องเป็นความจริงจังเท่านั้นที่จะสร้างสาระคุณให้นะวันนี้ก็รอแหละวันหน้าก็แบบเก่าแบบเก่าก็เป็นทางของกิเลสเดินด้วยความรอแหละรอแหละในทางความเพียรแต่เข้มแข็งทางกิเลสไปโดยลาดับอย่างนั้นแหะจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะขอให้ท่านท่างหลายตั้งอกตั้งใจวิธีการบาเพ็ญก็ได้สอนแล้วนี่ สอนอย่างไม่ผิดไม่พลาดซะด้วยแม่นยำเป็นที่แน่ใจเราได้ผลมาแล้วอย่างนี้จากความจริงใจของเราก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิที่นี้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ได้เลยนั่งทั้งวันมันก็ได้มันไม่ได้คิดเรื่องอะไรมีแต่ความรู้ที่แน่วความคิดความปรุงมันลำคาญ น, นะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดมาได้มันมันลคาญต้องชิดต้องปรุงเพราะกิเลสใสเอาไป ทีนี้เวลาสมาธิทําทับหัวความคิดนั่นแล้วมันไม่อยากคิดนี่นั่งอยู่ที่ไหนแน่วคือความรู้เปน็นอันเดียวแน่วไม่มีอะไรกวนมันคิดยี่แยบบางทีโห้ยลาคาญเนี่ย ม, มีมีเวบแยบมีลำขาดนี่ถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิความคิดปรุงต่างๆลาขาดไม่อยากชิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ จิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิอยู่รันทั้งวันก็อยู่ได้อยู่ไหนสบายหมดจิตไม่ควรตัวเองคือไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตนั้นชี น, น, ชนี่เสียเท่านั้นเองมีหนึ่งเอกจิตเอกธรรมทั้งๆ ท, ที่มีจิเลสอยู่ท่านเรียกว่าเอกคตารมมันตั้เป็นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนจิตดวงที่มีสมาธิเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นเต็มภูมิเราไม่สงสัยเรื่องสมาธินี่ไม่ว่าขั้นใดเราเป็นมาหมดแล้วใครจึงมากโหงยากนะ ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้รู้ชัดตรงก็ทั้งถึงสมาธิแน่นเหมือนหินนี่นันก็เป็นมาแล้วจนถึงก็ว่าลืมเรื่องปัญญาถ้าอยู่กับสมาธิทั้งหวังก็อยู่ได้สุดท้ายก็ชี้ลงไปตรงนั้นเออนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่รู้เด่นนั่นแหละว่านิพพานตรงนั้นเสียมันมันข้าวปากินปลาก็หมดทั้งกระดูก หมดทั้งก้างทั้งกระดูกรินหมดเลยสมาธิความโง่อย่างเต็มไปเลยสมาธิมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรจนพ่อแม่ของอาจารย์มาขนาบทางด้านสมาธินี่ละพอท่านขนาบนี้ออกออกนี้มันก็ผึ่งเลยเพราะสมาธิมันพอตัวมานานเท่าไหร่ตั้งห้าปีพอท่านลากออกทางปัญญาเท่านั้นนะก็นี่ผมพูดยอยอ่ายอ้อนนะที่แรกมันไม่ยอมลงท่านเถียงกันเหมกัน ท่านใส่เอาเปียงเปียงยินยอมลงท่านออกเพราะเพราะออกสมออกปัญญานี่โโ ท, ที่นี่นะก็เหมือนกับเครื่องครัวเราครบหมดแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ประกอบอาหารให้เป็นอาหารชนิดนั้นๆเท่า น, นั้นมันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นปูเป็นปลาอยู่นั้นแหละมันไม่เป็นแจงเป็นอาหารชนิดต่างๆให้จริงพอเอามาปรุงเนี่ยคือปัญญาออกจารในทีนี้ออกแล้วลู่แล้วลู่แล้ ว, รลวกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น <c oughs> อันนี้มันกรรมะตําหนีสมาธิโอ้โห ม, มันขึ้นทีละขึ้นชอบคนชอาคนนะพอปัญญาเริ่มก้าวอ่อนเอ๊ะชอบคนชอบคนทําให้เผยให้รู้ให้เห็นเรื่องกิเลสต่างๆแต่ก่อนมันมีตั้งแต่ความสงบมันไม่ได้เห็นกิเลสพอออกทางด้านปัญญาเห็นกิเลสด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้กันหนักเขา้าหนักเขา้าแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาต่างหๆสมาธิไม่ได้แก่กิเลสแน่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 ฟันไม้นี่ขาดจะบ้านไปเลยนี่เมื่อได้รับมีกําลังแล้วให้จําให้ดีนะคําพูดเหล่านี้นะใครจะไปหนักที่ไหนที่ไหนที่ถี่มาน่ามันจะแทรกนะ <c oughs> ผมมันแทรกมาพอแล้วเถียงจนกระทั้งพ่อแม่กูจันทร์มันแต่ท่านต่างแจ้งแจ้งหมดแล้วใส่เปี้ยงเดียวมันกังหายเพราะเราเถียงเพื่อความรู้ความเห็นความเขา้าเข้าใจไม่ได้เถียงด้วยที่ถี่มาน่านี่นะท่านว่าตรงไหนพอถูกปั๊มหมอบเลยหมอบเลยที่ไหนไม่ลงก็ซัดอย่างกับท่านนั่น เปนอย่างนั้นจากนั้นมาปัญญาที่ได้ออกออกเริ่มออกอะไรที่เริ่มออกก็ไม่ไปไหนนะ <c oughs> ให้จำข้อนี้ให้ดีอีกนะพอปัญญาเริ่มออกหมุนเข้าสู่สกุลกายเรื่องอสุภะอสุพังนะนีละ่ลังแห่งกิเลสทั้งหลายมีกามกิเลสเป็นจาขัญอยู่จุดนี้นะให้พิจารณาร่างกายร่างกายเขาก็ตามร่างกายเราก็ตามให้พิจารณาเป็นของเป็นอสุภะอสุพัง ดูหนังดูเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหนังเขาหนังเหล่ามันเป็นหนังอันเดียวกันนั่นแหละที่ขายออกดูดูหนังข้างนอกก็มีผิวหนังดูข้างในไปยังไงพลิกไปพลิกมาด้วยปัญญาแล้วกระดูกเนื้อเอ็นไปก็ังถึงอวัยวะส่วนต่างๆพิจารณาการกลับไปกลับมาให้มีความชํานิชํานาในการพิจารณาให้คล่องตัวไปเรื่อยๆ แล้วเรื่องอสุภาสุฟังนี่ก็จะรวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่พูดถึงอสุภาความไม่สวยไม่งามมันหมดทั้งตัวมาเอาความสวยงามมาจากไหนเวลามันรู้เนาะมันชัดอย่างนั้นนะหมดทั้งตัวมีแต่กองอสุภาสุฟังมีแต่ส้วมแต่ฐานแล้วมันเสกสรรปั้นย่อว่าสวยงามมาจากไหนนี่ถึงขั้นปัญญามันคลี่คลายนะมันจะเห็นไปหมดแล้วดูใครก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเฉยๆมันก็หนัง หอก็ดูกองอสุภะสุพังเหมือนกันหมดนันะนี่ที่มันเหมาไปเลยมองดูเราจะเอาพิจารณาภายนอกก็ได้อสุภะข้างนอกคนอื่นก็ได้พิจารณาเราก็ได้แล้วแต่ทางความถนัดเอาให้มันกระจ่างแจ้งไปโดยลาดับแล้วคล่องตัวเรื่อยนะอสชุพะสุพังเวลาพิจารณาไปมันจะคล่องตัวรวดเร็วขึ้นมองดูอะไรอะไรนี่มันจะเห็นอย่างรวดเร็วรวดเร็วคําว่าอสุภะดูหนังก็ ดูเนื้อนี่มันแดงโลดไปเลยดูก็ดูกระจกกระจ่ะจางขึ้นมาดูอะไรมันชัดเจนชัดเจนเงียเรียวกว่าปัญญาคล่องแคล่วอันนี้ครับเวลามันทํานี้จํานานพอแล้วทีนี้มันเห็นอะไรมันเป็นอย่างนี้หมดนะไม่ว่าเห็นหญิงเห็นชายที่ไหนไหนมองดูปั๊บนี่มันเป็นแบบเดียวกับเราที่เคยพิจารณาแล้วนี่ มีแต่หนังหอก็ดูกหรือพิจนาแล้วถ้าว่ากระดูกมันก็เป็นกระดูกหมดเนี่ยแล้วาวันเนื้อก็แดงโลดเนี่ยทวันหนังก็ข้างในก็แดงโลดข้างนอกก็เป็นผิวหลอกเนี่ยเพราะกำหนดนี้มันมันรวดเร็วเกําหนดให้พังเมื่อไหร่มันก็พังนี่ยคือปัญญารวดเร็วพิจานาเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นทันทีทันทีแล้วกําหนดทําลายนี่ก็พังทันทีหมดเลยหมดเลยเราเดินไปเนี่ยอืม สามเก้ี่เนี่ยมันพิจารณาทางด้านปัญญามันทําลายอาสุภาษณ์ฝังไปได้ถึงห้าเที่ยวฟังที่ะมันเร็วไหมเนี่ยเรื่องการพิจารณาอาสุภาษณ์ฝังถึงขั้นปัญญารวดเร็วขลองตัวแล้วนี่ผางทีเดียวพอํารวดปั๊บเนี่ยแตกกระจายเรื่องผึงตั้งขึง้นปุ๊บแตกผึงตั้งขึง้นปุ๊บกระจายทันทีนทัเดินเพียง3ามเี่เเราพิจารณาทําลายอาสุภาษณ์ฝังได้ถึง สีเที่ยวห้าเที่ยวนี่มันเป็นเองนะเวลามันนั่นแหละที่นี่เอาให้แหลกนะพิจารณาอาชุภะเอาพิจารณาให้ดีให้มันมีความคล่องตัวมองนูข้างนอกการมันคล่องตัวเรื่องความสุภาพความสวยงามมันไม่มีเลยละถึงปัญญาขั้นนี้แล้วมันมีแต่หมูดแต่คู่เต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรานี่ตอนนี้ละราคะจะสงบเต็มที่นะ จะไม่มีราคาปรากฏว่าเหมือนหนึ่งเป็นพระรหันต์น้อยน้อยนั่นแหละอมไม่มีเรื่องราคากาหนดหลอกมันให้กําหนัดมันก็ไม่กําหนัดเพราะอันนั้นอะมาเป็นภูเขากั้นหน้าไว้อะคืออสุภาามีอสุมีแต่อสุภานเนี่จะอะไรมากําหนัดยินดีนั่นนี่แหละเวลาอสุภาามันแก่กล้าแล้วมันจะไม่เห็นความสวยความงามเรื่องหญิงเรื่องชายไม่ไม่มีความสวยเมื่อตั้งแต่อสุภาสุฟังเต็มตัวเต็มตัวนะนี่ ราคาจะสงบตอนนี้สงบมากเข้ามากเข้ามากเขานะโดยลำดับเอาที่เรื่องสุภ า, าสุภาก็าดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถอนยีเลดโดยตรงนะเป็นเครื่องฝึกซ้อมที่จะก้าวเข้าไปหาการตัดราคาต่างหากนะราคาจริงๆไม่ได้อยู่ในนั้น น, นนะนี่เวลาพิจารณาจริงเอาเวลามันชำนานแล้วจับให้ดีนะคำนี้นะเออเวลามันชำนานแล้วเอาตั้งกาหนด อาุภะเช่นเราเนี่ยนั่งเนี่ยเป็นหนังห่อกระดูกหรือเอาหนังออกหมดให้ยังเหลือแต่เนื้อแดงโลาหรือให้เหลือตั้งแต่กองกระดูกแล้วแต่เราจะพิจารณาแบบไหนคําว่าอาชุพะมันก็เข้าใจกันเอาเอามาตั้งไว้ตรงหน้าเอาไม่ทําลายนี่เราเลียงทดสอบกันฝึกซ้อมกันเราพิจารณาทําลายเมื่อไหร่เร็วที่สุดเลย้ยเรื่องอาชุพะนี่เมื่อสติปัญญาคล่องตัวแล้วพิจารณาเมื่อไหร่ พังเมื่อไหร่นี่ขาดจะบ้านไปทันทีไม่ยากเลยเพราะความล่องที่นี่ไม่ทำลายเอาเนี่ยเราจะทดสอบเอาหลักความจริงว่าราคาในีมันเกิดจากไหนราคาจะสิ้นไปเมื่อไหร่เอาตรงนี้แหละตรงนี้ตหัวเลี้ยวหัวต่อ น, นั้นเนี่ยที่นี่เวลามันชำนิชำ น, ชำนานในการพาิจารณาสุภาษณ์สวรรคเอากำหนดไว้ข้างหน้าที่นี่นะจะ กำหนดเรื่องผู้หญิงอสุภะก็ตามกำหนดอสุภะผู้ชายเป็นอสุภะก็ตามแต่ส่วนมากมันจะเอาตัวเองนั่นแหละออกเป็นอสุภะอสุภะไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นผู้ไว้หมายนี่นะเอตั้งไว้เอาทีนี้ไม่ทำลายอให้ตั้งเป็นสมมุติว่ากองก็ดูก็ให้มันเป็นอยู่งงานเอามันจะเป็นไปไหนเราไม่ตกไม่แต่งคือไม่ไปทำลายไม่ไปโยกย้ายมันด้วยเจตนานะให้ตั้งไว้เอามันจะเป็นอย่างไงให้ทีนี้เพ่งดู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 ให้มันเป็นโวยหลักธรรมชาติของมันแล้วให้เพ่งดูอ้าวมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนอสุภาษอันนี้นะ่ะเราพิจาณามาก็พอแล้วแตกทาลายก็พอที่นี่ไม่ทําลายแล้วจะดูมันเอาตั้งไว้นั่นละอเอาตั้งไว้นั่นนะมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นเองให้เห็นประจักษ์โดยไม่ต้องถามไขนั่นเนี่ยเป็นสันติโกจะบอกตัวเองถ้าว่ามันยังไม่เคลื่อนย้ายไปไนให้อยู่มันก็อยู่แสดงว่ายังไม่พออสุภาษณ์ การพริจารณาสุภาพของเรายังไม่พอฝึกซ้อมใหม่เอาที่นี่ทำลายเสียจะทำลายก็ทำลายแล้วพิจารณาต่อไปอีกอย่างนั้นนะตั้งขึ้นแล้วทำลายอยนั้นแล้วเอามาตั้งอีกทดสอบกันอีกเมื่อมันพอแล้วไม่บอกแล้วนะอันนี้ผมจะไม่บอกแหละให้ตั้งไว้แล้อันที่ตั้งอะไรมันจะมาสอนเราเองเรื่องราคาตันหามันจะบอกในตัวเองเห็นโทษของวเอง ที่ไปหมายมันปันมือองค์อันไหนไหนมันจะรู้ขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ต้องถามใครนี่แหละหลักถอนราคาไม่ใช่ว่าถอนด้วยอจุภานั่นจุฑานี่ต่างหากอันนั้นอะไรนะมันถอนด้วยนี่แหละตรงนี้เอานี่มาตั้งจุดท้ายมันจะอยู่จุดนี้แหละแล้วกําหนดให้ดีอะมันจะมันจะออกจะเข้านะให้มันเป็นเองของมันนี่ละตอนสาคัญนี่ผมบอกตรงเพียงจุดเดียวนี่นะให้เอาอย่างนี้มาพิจารณา มันจะเข้าสู่หัวใจของเรานีแหละเป็นผู้ตัดสินมันเรื่องราคาอ๋ออย่างนี้เลยอ๋อราคาเป็นอย่างนี้เองเออันนั้นเป็นนั่นนี่ว่านี่เราหลงเงาเนี่ยลืมเงานี่นี่จับตัวจริงแล้วนเ่ียที่นี้นี่ละทีนี้พอผ่านเราเราพูดเอาตอนผ่านเลยตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องราคากับอสุภะนี่พูดเพียงแค่นี้ก่อน ไม่พูดให้มากไปกว่านี้ให้ผู้เปรียบปฏิบัติกําหนดเอานี้เองนะทีนี้เราจะพูดเรื่องทั้งผ่านต่อไปนั้นทีนี้พอมันหมดจังหวะอาุภานี่หมดจังหวะแล้วให้เราตั้งอันนี้แหละตั้งอาุภานี่ขึ้นมาที่เราเคยได้เห็นได้ผลประจักษ์หัวใจแล้วตั้งค้อนี้ฝึกซ้อมเอาฝึกซ้อมเอาอันนี้แหละเป็นหินรับปัญญาเลยเรื่อยฝึกซ้อมเรื่อยมันจะเอียดเข้าไปแลละเอียดเข้าไปนนะ ตั้งขึ้นแล้วกําหนดนี่กำหนดนี่ปั๊บเขา้ปาปุ๊บกำหนดปั๊บเขา้าปุ๊บก็ปุ๊บต่อไปก็ค่อยเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายหมดนั่นนี่แหละ เ, เรียกว่าฝึกซ้อมเนี่ยสติปัญญาจากนี้ไปแล้วจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนสติปัญญาพิจารณาทางอสุภาสุภังนี่ยังไม่เป็นอัตโนมัตินะนี่มันเป็นมันเป็นชุนลมูล เปนชนมุนหมุนว่าจะจะเรียกว่าอัตโนมัติยังไม่ได้นะพอผ่านอั น, นี้ไปแล้วท่นี้มันเอาใส่อั น, นี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมแล้วจะเป็นอัตโนมัติหมุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ละพระอนาคามีที่ท่านถึงจุดนี้แล้วท่านที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีกจะเกิดได้ยังไงก็มันรู้ะชะนั่นก็มีแต่ฝึกซ้อมให้มันเลื่อนขึ้นละเอียดเข้าไปื น, นี้ละอวิหารตะปาสุาสาษคือการฝึกซ้อมจิตอันนี้เอง มันจะเรียดเขาไปเรืยาเขาไปควรขั้นไหนขั้นไหนมันจะรู้ของมันเองเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายของมันถึงเรื่องอันนี้หมดเรื่องวิธีฝึกซ้อมอะไรมันหมดมันจะนี่ก็จะบอกอีกมงกันจนกระทั่งอวิชชาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ลงในอวิชชาขาดสวรรคนไปแล้วนิจจ้าไปหมดเลยนี่ถึงขั้นไหนล่ะที่นี่ นี่ละเรื่องวิธีปฏิบัติให้สั้นแต่หลายจำว่านะผมพูดมาตามลําดับลําดาแห่งผ้าปฏิบัติที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาแล้วหายสงสัยเป็นลําดับลําดับเป็นแบบฉบับแต่การสอนผู้อื่นได้โดยไม่สงสัยเลยเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นผลประจักษ์กับเรามาโดยลําดับนะหายสงสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าที่จะนํามาถั่งสอนหู่เพื่อนด้วยความแน่ใจไม่สงสัยนี่เรื่องอุปภาสําคัญมากนะ ขอให้ท่านตั้งหลายใช้เรื่องอสุภัสุสังให้มากการมาลาคานี้อยู่จุดนี้นะเออต้องใช้อ น, นี้ให้มากการมาลาคานี้จะค่อยลดลงลดลงพอลืมหูลืมตาได้ถึงมันยังไม่ขาดก็ลืมหูลืมตาได้จนกระทั่งถึงจุดมันขาดมันก็รู้เองอืให้เอาอนี้หนักจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่สติปัญญาสมัมมาสมาธิจากสติปัญญาสัมมัสิแล้วมหาสติปัญญาเชื่อมโยงถึงการอ น, นี้ไหลไปเลย นี่แหละการภาคปฏิบัตินี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ธรรมที่วินัยผู้เจ้าสอนนี่ที่พูดนี่เป็นธรรมล้วนๆนี่แหละอยู่ที่ธรรมนี่แหละศาสดาองค์เอกอยู่ที่นี่และวจะไม่นีนะอยู่ที่วิธีปฏิบัติอย่างนี้ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่แหละศาสดาองค์เอกคือธรรมละที่นี่องค์เอกอยู่ที่นี่อะไรขาดไปขาดไปศาสดาองค์เอกจะบอกขึ้นมาบอกขึ้นมาเรื่อยมีนายเป็นรั้วกันรั้วกัน อาณาตรางองคเอกนี่เป็นธรรมฝึกซ้อมนี่ให้ดีให้ดีจิตกระจ่างออกมากระจ่างมาส่ว น, นวินัยเรารักษาด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแล่นั่นเป็นเรื่องวิเนัยไม่ได้ไปใช้อสุภะอสุผังอะไรละวิเนัยเป็นวิเนียห้ามไม่เกินจิตข้าบุตรข้อนั้นข้อนี้ไม่ให้ล่วงเกินแล้วก็รู้กันแล้วแล้วไม่ล่วงในเรื่องธรรมแล้อีย่กว่านั้นพิจารณาเรื่องธรรมให้มันเอาขาดสะบ้านออกไปจากใจของเรานะเมื่อจิตมันถึงขั้นนี้แล้ว มันจะเบิกกว้างแล้วก็หมุนตัวขึ้นเรื่อยๆยิดที่ขาดจากอสุภะอสุฟังในฐานเบื้องต้นนี่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นช้ำหลีหมุนขึ้นเรื่อยให้ลงไม่มีเพราะฉะนั้นพระนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดมันบอกกระชับอยู่ในหัวใจมีแต่หมุนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดฟาดในอวิชาขาดสะบ้านหลังไปนี่โลกต้าไปเลยนี่แหละภาคปฏิบัติท่านทั้งหลายอย่าไปหามาผลิภานที่ไหนนะ ให้จำให้ดีทำระวีในที่เราปฏิบัติอยู่นี้แหละคือศาสตราองค์เอกคอยชี้แนะทางเราอยู่เสมออย่าให้ห่างจากนี้นะ เ, เรื่องทำของเราที่ไม่ชำนีชทำนาญตรงไหนเอาให้ดียังเช่นอย่างพิจารณาฝึกซ้อมอสุภาอสุภังเพราะกิเลส ต, ตัณหาการมมรกิเลสนี้หนักหน่วงมากทีเดียวนะไม่ไม่มีอะไรที่จะกดจะถ่วงมากยิ่งกว่าการมการมกรมกิเลส ร, ราคาตัณหานะ โกดทวงมากกรอมมากด้วยนะสัตวทั้งหลายนี่ติดกันงอมไปเลยไม่มีวันฟื้นคือตัวนี้แหละมันกดมันทวงเพลินด้วยความทุกข์ก็เต็มอยู่ในเนี่ยทีนี้เวลาพิจารณานี้เบาเข้าเบาเข้าเรื่องความทุกข์ความกดทวงจะค่อยเบาไปเพราะาการมรรเลิดขาดตะบั้นออกไปแล้วความกดทวงไม่มีมีแต่ดีดขึ้นข้างหน้าเรื่อยดีดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยที่ว่าไม่กลับมรรคเกิด อ, อีกคือกิเลสตัวนี้เองพาให้เกิดให้ตาย กดถ่วงให้เกิดพบนั้นภมนี้คือกา ร, รมื่อกี้เลยพอตัวนี้ขาดตะบ้านไปจากใจแล้วอีทนี่เหมือนทาริขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฟาดเอามิ ช, ชาขาดตะบานนั่นแหละจอมแห่งใจพบอยู่ที่นั่นขาดตะบันแล้วไม่ต้องถามใครพูดแล้วสาธุทันทีเลยพระพุทธเจ้ า, าประธานคณะก็ไม่ฉูนถามทํำมาเดียวกันอย่างเดียวกันท่านสอนเพื่อให้รู้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะไปสงสัยที่ไหนสารติสิโกประกาศป้างขึ้นมาแล้ว เป็นพระโอวาสอันเด็ดขาดของผู้เจ้าเสด้วยนั่นแหละท่ญญานจึงม่มีถามกันภาษาวอกองไหนไม่เคยไปทูลถามผู้เจ้าเมื่อบรรลุธรรมถึงที่สุดนี่แล้วเป็นสันติโกโตเต็มภูมิเต็มภูมินี่ให้ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้ผู้ดี่จะทรงมกักทรงผลมันน้อยลงก็เพราะผู้ปฏิบัติสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยเพื่อความพ้นทุกนี่น้อยลงไปลําดับลาดานนะต่อไปจนจะไม่มีนะมันจะหมดไปหมดไป คำว่าศาสนาคือคําสอนของเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นในคำพีก็เต็มไปหมดมันก็เป็นเหมือนแบบแปนแผนผังนั่นเองเราไม่หยิบยกออกมากลางมาปฏิพัติปฏิบัติตามธรรมที่เราสอนที่ท่านสอนไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความจําำเฉยผู้ผู้ใดเรียนก็จําได้ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เรียนจําได้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนอะไรจําได้ทั้งนั้นแต่มันมีแต่ความจํามันไม่มีความจริงเพราะไม่ปฏิบัติ ถ้ามีการปฏิบัติแล้วความจริงจะรูปขึ้นมาเห็นขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เหมือนเขาผูกบ้านผูกเรือนเอาเอาแปนมากลางแล้วเอาจะทํายังไงเราจะเอาตึกหลังไหนขนาดไหนดูแปนปนั๊บนี่นี่เอาท่นี่ขุดดินขุดอะไรขึ้นอะไรเอาแบบไหนเมื่อไรวางรากวางฐานตามแปลนมันก็ค่อยปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นรู ป, ปร่างขึ้นมาจนเป็นบ้านเป็นเรือนสมบูรณ์แบบตามแปนนั่นแหละเพราะแปนถูกต้องแล้ว นี่แปลนของผู้เรียเจ้าเป็นสวดคารธรรมต้าไว้ชอบแล้วยิ่งกว่าคนมีกิเลส ข, ของเขาเขาก็รับรองของเขาอยู่แล้วตามสมมุรณนิยมทางวิมุติธรรมนี่ก็สอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนิพพานถูกต้องเป็นสวดคารธรรมตลอดนะพากันตั้งออกทางใจปฏิบัตินะผมยิ่งห่วงยิ่งใหญ่หมู่เพื่อนมากจะเป็นจะตายเท่าไหร่ท้าทายมาอยู่อย่างนี้แหละดูเอานะเวลาอยู่กับโลกักบปฏิบัติไปตามโลกตามสงสาร สำหรับจิตนี่ผ่านไปหมดแล้วพูดให้ฟังให้ชัดอย่างนี้นะเนีย่ยว่าบาปว่าบุญอาบัตข้อนั้นข้อนี้อย่างนี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตนั้นเลยหมดแล้วถ้าจะปฏิบัติตามจิตนั้นก็ต้องหมายถึงว่าธาตุขันต้องผ่านไปหมดแล้วแต่เมื่อมีธาตุขันอยู่นี้โลกก็เรียกว่ามีสมมุติอยู่เต็มตัวของเราเรามีสมมุติเต็มตัวของเราการปฏิบัติหลักเขาไม่ไหนก็ต้องปฏิบัติ ให้เต็มตัวของเราที่มีสมมูิท่านห้ามพอไหนก็ไหนอย่าไปข้ามไปเกินเสริมท่านด้วยความยอมรับความจริงความจริงท่านมาผิดถูกประการใดเราก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะงั้นพระหันท่านถึงไม่เคยเล่าข้ามเกินพระธรรมในไหนนะท่านปฏิบัติด้วยความสวยงามเวลามีท่านมีขันอยู่ถ้าเป็นหลักธรรมชาติแล้วท่านจะเป็นโทษเป็นกรรมที่ไหนทางจิตของท่านแต่กิริยานี้มันขัดกันอยู่จิตที่บริสุทธ แล้วมาครองขันแล้วจะพาขันไปทำสี่ห้านี้อิดอันนั้นไม่ลงนะเพราะยั ง, งรับผิดชอบกับขันรับผิดชอบต้องทํารับผิดชอบต้องทําให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นการปฏิบัติรักษาสิกขบทวินัยน้อยใหญ่ท่านจะเป็นเหมือนพวกเรา ท, ท่านเพราะธาตุขันมีโดยสมบูรณ์การปฏิบัติรักษาให้เป็นความสวยงามตามโลกสมมูติในเวลามีธาตุขันอยู่ก็ต้องปฏิบัติให้สวยงามสมบูรณ ท่านจึงไม่มีองค์ใดที่แบบนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งนะแต่ส่วนจิตนะไม่ต้องพูดแล้วหมดปัญหาเรื่องจากที่ขาดสะ บ, บั้นออกไปหมดบาบุญที่ไหนไม่มีเลยละเลยไปหมดแล้วขั้นนี้เป็นเรื่องของสมมุิก็จิตของเรามันยังครองขันอยู่นี่แล้วก็เรียกว่าเรายังอยู่ในวงสมมุิอยู่ต้องปฏิบัติรักษาสมมุนให้สวยงามตามหน้าที่ตามแบบฉบับของพระเหล่จะมาทานีิจเตียนะจิตก็อย่างหนึ่งร่างกายไปทำอีกหนึง่ง มือนลิมืองข้างเหมือนสัตว์นรกอย่างนั้นไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิน์นักษาสิ่งที่จิตบริสุทธิ์ซึ่งยังคลองกันอยู่นั้นให้สวยงามไปเสมอกันไปนั่นนี่แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะอลองอันนั้นดูทีหากจะมีจิตที่ที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์หากจะมีเครื่องขคางกันอยู่ในนั้นให้รู้จนได้นั่นแหะนั่นแสดงว่าไม่เหมาะนั่นทํายังไงเหมาะอธิบัติตาม สวัคาิธรรมรักษาให้ดีพระวินัยให้ดีไม่ว่าขั้นใดภูมิใดของจิตของใจถึงขั้นอาหารหันห้ารักษาใดีด้วยเหมือนกันหมดมพเพราะคารวะผู้ทีเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดหมดแล้วถ้าก็ควรจะทําลายอะไรผู้เจ้าจะบอกไว้ก่อนแล้วะ เ, เธอเป็นมาราหันแล้วจะทําอะไรก็ทําได้นะไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์ใดท่านใครจะรู้ความสวยงามยิ่งความเหมาะสมยิ่งกว่าศาสดา พก็ก็เราเป็นสาวกของท่านมาเป็นกันมาแล้วเป็นลิงเป็นข้างไปในร่างทั้งหลายความเคลื่อนไหวใช้ไม่ได้นะ่ะจิตวิสุทธิ์ใครจะไปเชื่อแนะ่มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะคือจิตบริสุทธิ์กับธรรมชาติเหล่านี้ความกลมกลมกลืนกันนี้ด้วยความสวยงามระหว่างจิตวิมุตตกับขันที่มีอยู่นี้ปฏิบัติกันด้วยความถูกต้องดีงามนี่ถูกต้องนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะขอให้พรกันตั้งออกตั้งใจปฏิบัตินะเอาให้ได้สมมากสมผล พราะรำมาขุ่นเจ้านี่เป็นอาการยิ่งกอการยิโกศาสดาให้ติดแนวกับติดเรานี่แหละเราพูดที่จะทรงมากทรงผลคือผู้มีศาสดาติดแนวพระธรรมและพระวินัยจากนั้นมีสติสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเอาหนู่นกันเข้ากลมกลืนกันอยู่ในศาสดารพระธรรมพระวินัยนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะตักตรอมากผลนิพพานไอคนที่มันพูดว่าว่แม่ไม่ได้ทํามันก็เหมือนมหม า, าเห่าฐานนั่นแหละ มันก็กินอะไรอยู่ในฐาน desserts. มันก็เห่าฐานไปอย่างนั้นกินก็กินฐานนั่นแหละเห่าก็เห่าฐานเนี่ยพวกพวกสกปรกไปอย่างนั้นแล้วท Hence, ่านผู้ไม่กินฐานไปยังไงมันก็ร <The> ู้เองนี่ใครจะว่าอะไรช่างเราิกิเลตมันเอาของดีมาพูดอะไรมันต้องมีแต่การคัดค้านต้านทานการลบล้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ของดีของดีมาจากการปฏิบัติดีของตัวเองพูดออกมานี้มาได้นะกิเลตตัว นรกตกเปรตมันจะคัดจากค้านหาว่าโอ้ว่าอวด ว, ว่าอย่างนั้นนี่ไปหมดนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นโจ้มติีทำตัวมันสร้างความชั่วช้าระมุกอยู่มาตั้งกี่กับดีการทำแต่ให้ตกนรกหมกไหมนี่คือตัวไหนไม่ใช่ตัวกิเลสมันอยากรวงขนาดไหนมันโหดร้ายขนาดไหนไม่เห็นในตำหนิมันแต่ธรรมนี่เป็นเครื่องลื้อขนสั่โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นน้ำดับได้จกนกระทั่งถึงนิพพานมันเสียหายที่ตรงไหนกิเลสจึงมาห า, า่าว่าให้จำมรรคคำนี้นะ เรื่องความโสโครกมีอยู่ทุกหย่อมยาเวลานี้กิเลสมันยิ่งหนาแน่นกิริยาที่แสดงมาคัดค้านต้านทานธรรมและลบลา้างธรรมยิ่งหนาแน่นขึ้นหนาหนายาไปสนใจกับมันพวกส่วมพวกฐานศาสิราองคเอกอยู่กับเราพอแล้วนั่นศาติาองคเอกตหากที่นําสัตว์ให้พ้นจากทุกพวกส่วมพวกฐานคือกิเลสไม่นําใครให้พ้นจากทุกมีจะพาให้จบเมื่อไทุกจับให้ดีคํานี้นะใครจะว่าอะไรก็ตามยาไปสนใจนะโลคนี้เป็นโรคโสโปรกสมองสุดยอดแล้ว เพราะแหละพอพูดอย่างนี้มันอดชิดไม่ไดนะ้น่ะมันเป็นอย่างไรกินนี่คือมันต้าอยู่งั้นทั้งคืนทั้งวันเวลาไหนมันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะนี่จึงว่ามันหายสงสัยพอทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนใจเลยตั้งแต่ขนาดที่กิเลสวิชาขาดสะบั้นองไปจากใจว่างไปหมดเลยสว่างต้าไปหมดเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาพูดได้ เท่าที่โลกสมมูิทั้งหลายยอมรับได้เชื่อได้ขนาดไหนนำออกมาสแสดงตามนั้นา น, นัเวลาเจ้าของปฏิบัติแล้วรู้มันก็จะรู้เองควรไม่ควรขนาดไหนไมันจะรู้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผู้ท่านรู้ไปแล้วท่านก็ น, นำออกมาสั่งสอนสั่นโลกเท่าที่สัโลกแต่พอยึดได้ทำขั้นใดขั้นไหนก็สอนอย่างที่ที่พูดนี้แล้วผมช่วยโลกมาไดห้าปีนี้ กับแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่ก็ฟังทีมันพอเหมาะพอดีกับแกงหม้อใหญ่นี้ให้เลยของนี้ไม่ได้นอกจากมีผู้ปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำสูงกว่านี้นไปแกงหม้อเล็กแต่เริ่มออกรับกันทันทีทีถ้าผู้ที่ควรจะไปได้นี่แกงหม้อจิวผึ่งออกมาเลยนี่อย่างนั้นแหละมีเยอะในหัวใจแต่ที่จะออกมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกต้องคํานึงถึงโลกว่ามีกําลังวังชาขนาดไหนพอที่จะเอาได้เนี่ นี่ให้มีกฎมีเกณฑ์นาพระเราให้ระมัด ร, ระวังรักษาตนเองอย่าให้มีการกระทบกระเทือนกันเป็นอังขาดนะกิเลกตัวกระทบกระเทือนตัวโกรธตัวเครียดแช่หรือทะเลาะเบะแว้งกันนี่หยาบโลนที่สุดอย่าให้มีในวัดเราซึ่งเป็นวัดปฏิบัติจักําจัดหรือข้ากิเลสตัวหยาบช้าระมกุกนี่ให้ขาดจากวัตถุใจอย่ามาสั่งสมมันด้วยความยินดีให้เกิดความทะเลาะเบะแว้งกันนี่ฟังมาได้เลยนะอันนี้เลวมากทีเดียวพอมันเย็บกไป อยากชิดไม่ดีกับผู้ใดนี่แหละความคิดอันนี้แหละมันเกิดขึ้นจากเราแล้วมันเป็นภัยต่อเราแล้วจะไปไปเผาคนอื่นดีให้รูปมันทันทีดับมันทันทีนั่นอย่างนั้นจึงเรียวผู้ผู้ปฏิบัติธรรมรูปค่าสึดที่มันเกิดขึ้นจากใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจอะไรมันชิดขึ้นมางุูนิ่งขึ้นมากับบุคคลผู้ใดพระองค์ไหนก็ตามพองุ่นิ่ขึ้นมานี่กิเลสตัวนี้ออกแล้วนานนี่นะถ้าปล่อยมันจะไปใหญ่นั่นตีหัวมันลงทันทีตีหัวมันลงทันที แล้วจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วดีไม่ดีฟ้วนมันขาดตะบ้านประหยัดใจไม่มีอะไรมางูดหงิดท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่มีท่านจะบอกว่าสิ้นกิเลสถ้าลงมันยังมีอยู่จะเรียกว่าสิ้นได้ยังไงเสียงนี่จะแผดเผาเหมือนฟ้าดินถล่มก็ตามก็มีแต่พลังของอดของธรรมที่ออกตามน้ำหนักของธรรมควรจะออกขนาดไหนเท่านั้นเองไอ้เรื่องกิเลสที่จะมาแทรกว่ามีความวาโมโหโทโสอย่างนี้ถ้ามันยังมีอยู่นั่นจะเรียกว่าสิน้นอย่างกิเลสได้ยังไงอันไม่มี มีแต่พลังของทำพุ่งพุ่งพุ่งหนักเท่าไหรพลังของทำออกหนักเท่าไหร่นี้กระเทือนถึงร่างกายเสียงแผดเสียงเผายางผมอย่างทั่วันนี้มันเป็นเรื่องโรคหัวใจถ้ารุนแรงคือทํามันออกแรงมันกระเทือนเวลาทาพึงออกมานี่มันกําลังมันจะแรงลมก็แรงอะไรก็แรงสะท้อนเข้ามาสู่ใจเหนื่อยนั่น น, นั่นระวังทุกวันเพราะขันนี้เป็นเครื่องมือของใจ มั่วขันไปยังไงล้วก็ต้องได้ดูแลคํานึงอยู่เสมอเนี่ยเรื่องเทว่ากิเลตตัวไหนมันจะมาแสดงนั้นเรียกว่าไม่มีจะหาเท่ตัวให้มีมันก็ไม่มีก็เรียกว่ามันสิ้นจะห่าไงแล้วท่านก็ไม่สงสัยสงสัยอะไรขาดประวัติลงไปในขนาดนั้นแล้วเหมือนฟ้าดินถล่อวิชชาขาดประวานิองไปเผาศพมันเรียบร้อยแล้วด้วยกุศลาธรร ม, มาความฉลาดแหลมคมของสติปัญญาแล้วตัวไหนมันจะมา ถ้าทายอีกได้หละกิเลสหมดนั้นละทัานหมด ท, ทั้งหมดอย่างนั้นนี่นะ mm hmm. ไม่ใช่มาหมดแสกเสกสรรเอาอยเฉยให้มันหมดประจากใจของสารทิชโกจะประกาศขึ้นด้วยกันทั้งนั้นเน mm ี hmm. ่ยให้พากันตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่การงานของพระโดยสมุนวัด น, นี้ผมได้พยายามที่สุดแล้วเรื่องหน้าที่การงานอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องรบ ก, กวนพานะ mm hmm. ผมทําหน้าที่ของโลกช่วยโลกผมก็ช่วยไป นอกจากมันเป็นความจำเป็นก็ขอร้องจากพระไปช่วยช่วเป็นตามเป็นเวลาผมรักสงวนพระมากนะที่คิดดูที่บริเวณนี้ใครเข้าไปได้มาอะไรให้อยู่ในบริเวณสลาบริเวณข้างในเป็นสถานที่บําเพ็ญของพระไม่ให้าไปกวนนอกจากคนที่รับใช้พระไปมานั้นจะเป็นอีกว่าเพี้ยนส่วนคนภายนอกที่จะไปจุนจ้านอย่างนั้นไม่ไดนะ้ผมเอาอย่างหนักเลยนะดุเลยเดียวเขียนไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะ เขียนไม่เพื่อใครอ่านล่ะนั่นนี่แหละเป็นอย่างนั law, you right? s <S right? ้นเรารักสอวันหมู่เพื่อนผมจะทํางานการเพื่อโรกเพืองสารก็เพื่อโลกองสารจริงเรื่องอัดเรื่องทำนี้ต้งคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่กับพระกับเนนนะไม่ยอมให้ลดหย่อนผ่อนผันให้อ่อนแอเพื่อที่เดียวจะเข้าเหยียบหัวใจได้นะได้พยายามเต็มกําลังความสามารถขอให้พากันตั้งอกตั้งใจด้วยกันทุกองทุกองนี่พระก็มีจํานวนมากจํานวนมากทุกวัน โอ้เรื่องใจนี่อัศ จ, จรรย์จนกระทั่งถึงผู้ศิษยเจ้าทอพระไทยนี่ะมันเกินเป็นขึ้นในหัวใจตรงไหนมันก็รู้เองฮะอย่างทติมูเช้านี่ถึงอุตษาออกมาลังกันว่าละมันเป็นเองนะใครจะไปวัดลอยผู้ศิษยเจ้าพพลังแห่งความผ่าผุนของปิตที่แสดงขึ้นมาแบบประหลาดอาัศ จ, จรรย์พุ่งขึ้นมาเลยมันก็ออกอมันได้นี่เป็นอย่างนั้นแ่ละอัศ จ, จรรย์กขนาดไหนมันถึงเป็นได้อย่างนั้นล่ะนี่ ให้ต่างใจปฏิบัติทุกองคทุกวงไม่ว่าชาติชตั้นวันนั้นใดให้ชื่อว่าคนให้ชื่อว่าสัตว์โลกเหมือนกันหมดไม่มีใครไปสําคัญวัตถุหมายว่าชาตินั้นวันนันนี้ชาตินั้นชะ น, นี้อย่ามายุ่งกับมนุษย์เราสัตเพศสัตตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั้นมีเจตนาบวังอัดหวังทําด้วยกันเอาปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันหมดลูกแม่เดียวยังทะเลาะกัน พระที่มีความตั้งอกตั้งใจด้วยกันแล้วจะไม่มีการทะเลาะกันเลยนิ่มเหมือนอวัยวะเดียวกันนั่นนี่แหละอยู่ได้กันได้ถ้ามีธรรมอยู่ได้กันได้หมดถ้ามีกิเลสแล้วแตกได้นะมี น, อน้อยมีเนาแล้วดูถูกแยากแย้มกันแล้วดูถูกไปหลายแบบแล้วฉบับกิเลส พ, พิสดารมากนะอย่าให้มันเอื้อมออกมาได้นะเอาธรรมตีหัวมันลงไปสิ่งวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติธรรมเพื่อสังหารกิเลสนะ อาะันนี้พูดเพียงเท น, นี้เห็นสมวรคุณไปพูดมามันรู้สึกเหนื่อยือนาิการได้เท่าไหร่ดูทีนะอ้ะเท่นี้ได้กประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงนาหรอาครับอ่ไได้ถึงเ่เท่าไปเท่ามันเล่นก็เหนื่อยอ่ะเนี่ยแล้วมีอะไรต่ออะไรบ้างอ่ะที่นี้ ท้างไงก็เยอะนะคนมแห้ถ้ามากับขึ้นไหนอะไรเก็มเลยขกลวง้อเขาเฮ้ยผ้ามีเท่าไหร่ตีนี่ไงวัดแถวนี้อะกรรมบรราเนี่มีเท่าไหร่เฮ้ยทำไมจึงให้เกินไปมากมายก็ไงฮะเหงาเพ้าก็มาเงื้ะเพ้าก็มา มึว่าชื่ออยู่ทื่อพักมันแออาการภาวนาไม่สะดวกนะ้าพร ะ, พะหงายแง่เข้ามาชื่อภาวนาจะไม่เป็นเอกเทศสะ ด, ดวกสบายนะผมจะหวนชื่อให้ภาวนาสะดวกมากตลอ ด, ม า, ดมานะบริเวณผม ม, มันกว้างเหนือสบายสบาย ออกก็เขา้ากจของผมนั่งอยู่สบายถ้าคนนั้นเข้าไปขวนผมจะอย่อกหยวผมจะหยอกสบายเนะนี้ยอืมมันขวางออได้รูแบบดูนี่นเป็นโยคกรนะเวยเงี้ยผมอยู่ในวัดเรียกว่าเป็นโยคกระเวงได้วังตลอดเขาออกมานี้ยิ่งแล้วเนะี้ยไม่ย่ากเลยเพาผมจึหายลบหายอยู่ต้ายังสบายภายในะชาติในขันของเรา ที่คลองกันอยู่กับสนใจเขาขารั well. <inaudible> งกองตอนนั้นเขายึิบัดอย่างนี้พอเขาอยู่ทำไปอย่างนั้นไงเอาแล้เมื่อยุ่งกว่าไปงานช่วยสบายไปหาอะไรเนี้ยยุ่งทีหนมันก็อยู่สบายงานอะไรอย่างนั้นตรงนี้ไงที่ไห แล้วม er ีอะไรบ้างคือขาดกล้องอะไรมีอะไรบ้างแล้วอินเตอเน็ก็สะดวกมีเยอะแล้วคือแค่เมื่อเช้านี้มาต้องมาอ่านไงเอาออกเลยไงเพราะมาอ่านคือไอ้ผมก็ไม่เคยแก้แม้แต่ขวดเดียวไม่เคยแก้อ้างตั้งไว้ก็ถือว่าได้ผ่านแล้วแก่ผ่านแล้วแวางก็ถือเคชียงคำนั้นชวนที่ผมแกแก้ตรงไหนไม่มีชอบใช่หรือไมความแหนะใจแหนะใจอะไรมันจะผิดจากพลาดไปไหนวะ อนอกจากคำพูดมันใกล้เคียงกันมันอาจจับผิดตัวได้นะคือมันผิดไปแล้วมันมันใกล้เคียงกันแต่มันเชื่อมไปได้อยู่อย่นี้ถ้าแก้ก็แก้ตรงนั้นตรงนั้นเองเพื่องที่ใจมันตทำงานกันเกาผิดมันไม่เหมือนเมื่อนี้ก็ทํามาแล้มันก็ออกทั่วโลกเลื่องเกว้างขวางก็รู้มีแต่ทํำของผมอย่างเดียวมั้งเห ตัวประเทศใคมีใครออกเท่อย่างผมมีไหมตาคนไหมหืมยังไม่มีอ่ะก็มีใจเอาว่านี่เชื่ใจวิ่งกระจายออกกระจายออกผมอยากให้คนมีจิตใจภาวนาภาษาดูทุกแห่งทุกหนเช่อนียังไปใหม่อีกงานนึงมึงจะแจ้งม้าใหญ่แล้วเรื่องก็พูดไปอย่างนี้นะมือเงี้ยภาวนามะไอะไรตักสาเขาแล้ว อันนี้มันจะออกรับอ่ะมันจะเป็นวโหหานอันหนึ่งขึ้นมาโดยไม่ชึ้นใ่ค่าม่นหักไปเองแล้วก็เนี้บไิเวรขอบเสวัดเอาวัดใหม่เอากำแพงใหม่ครับเป็นบริเวณวัดนะริเวงวัดเอาวัดใหม่ แกการรับมือกับนี้เอาที่เดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วเสรวัดนี้อันเดิมส่วนเศษวัดที่จำพรรษานี้ถือเศษวัดใหม่นี้เข้ามาเลยเป็นเสรวัดจำพรรษาอาวัชเลยเวลาในพรรษานี้มันไม่ค่อยมีการมีแรงรมากนักหรอกให้เร่งความภาคความเพียรแรงมากนัาหมูเครื่องผมไปห่วงหมูเพื่องมากงะ ท, ทั้งคือผมก็เกี่ยวก็รควุ่นวายแต่ไม่พ้นที่จะเป็นห่วงผ้าเราเพราะผมไม่งักกับอะไรยืงกว่าหนักในผ้าองที่จ้างใจไว้จุดทำหนักในทำหนักตลอดไม่มีอ่อนเลยในเรื่องโรคกับป็นัญหาเงี้นนะมีผ้าต้มบ้างอะไรบ้างห้าคือเขื่ออ่ มือพ้ก็มือพระมาเพิ่มเหมือน แ, แล้วพระอางก็เพิ่มใช่ไหมตามพระอางก็เพิ่มเหมอแล้วพระไทยก็เพิ่มเหมือโองไหมั่งมั่งเลยตามตอยาไม่เลยห้าสมีฟาสกห้าสิบสี่หรือห้าสิบห้าอะไรชื่ออยู่ชื่อระคมันกะให้พอเหมาะพอดีข้ามากกว่านั้นแอร์อากาการปรับงาไม่สะดวก ไปมื่อจบการก็เข้าใจกันแล้วเคยปดิวับาใหมายแล้วไงคุ้มสมบวตใหม่อะไรพวกนก็ให้แหนกันเรื่องรู้ยาวการโขกการฉันนี่อืไรอย่างนแต่จะพิจารณาตัวเองอะรย่างวัดเราจริงมากก็โอทหารมากมากคืออาคาติหานสำคัญร่างกายพราะมันมีก็อล่งมัน มันเป็นเครื่องมือของราคะอย่างนี้ตอนนั่งผมอยู่ที่ไหนมันจึงเอากันตรงนี้อ่ะคือมันก็ยังเย็บย่อมมันจิตนั่นก็เราก็เห็นมันเป็นภัยอยู่แล้วจะไปนอนใจกับมันได้ไงเนี่ยที่ทํำมันมีอะไรเนี่ยสำคัญเนื้อว้ายกนพราะร่างกายอ่อนยังไงอย่าอนี้ไม่ค่อยมีสักอย่างอย่างก้าวเลยสะดวกอย่างนั้นเป็อย่างนั้นนะจึงจ้องอดจังโจงซึ่งขนาดว่าท้องเสียเนี่ยผม อ๋อเดห้าสิบกว่าปีนะตั้งแต่บรรษาสิบผมจาได้เลยจนกระทั่งจะตายเนี่ยมันจี่อี๋มันค่อยถ่ายออกเรื่อยๆเฮียก็ไม่หยับหนาดักนะทถ่ายอกมเรื่อยๆงทีเกดวถ่ายทีนงหมดในท้องไม่มีเยอะเลยแล้วก็อยู่ไปอู่ไปแล้วก็ถ่ายถ่ายนี่เวลารวนเอามานี่แหละ มันเพ่งหนักเข้าหนักเข้าถึงก็หนักเยอะไปไหนื่อยากเลย <c oughs> นี่จะไม่อยู่แล้ว น, น, นี่ยเนี่ยก็ถูกยาหมอเกิดนี่ไม่ยาอันนี้เขียบขาดนะยาเกิดเนี่ยผมบอกว่ายาเทยวยาแทรกอะไปว่างนะ <c oughs> จนผมเองงงนะคือมันเป็นมาจนขนาดที่ว่าจะไปไม่ได้มีแต่ตา ย, ายแค่เดียวพอจยาๆนี้ดี่ถึงขึ้นมาแล้วเองก็สงสัยอ้าว ท ำ, ท, ำญญทำไมมันจะจายอยู่แล้วทำไมเวลาฉันหยาลงไปทําไมมันยิ่ขึ้นดิ่ขึ้นอย่างเนี้อยะะ่าวอเขาก็หมอเขาก็บอกแล้วว่าการฉายนี้มันจะฉายเป็นธรรมดาเหมือนแต่ก่อนนะแต่ว่าการฉายด้วยฤทธิ์ของโรคเนี่ถ่ายเท่าไรก็อ่อนเพียงไปยมงอย่าส่วนฉายด้วยฤทิ์ของยานี้มันจะไม่อ่อนเพือถฉายมากเท่าไรก็ไม่อ่อนเพียงแล้วเกาจับไย่างไรแล้ว่ายมากจริงๆจะไม่เสี่องเข้าชา่าอยู่า่ะ เงี้ยก็หายขาดเลยนยไม่ปรากฏเลยท่องผมที่ไปมาตั้งจากพันศาศิษเพราะผมไม่สนใจกับมันเรื่องท่องเรื่องปากเลยไม่จะปิดจะทำถ่ายช้าฉันแล้วถ่ายหมดถายหมดซุกพอถึงเวลา้เอาอีกเลยไม่สนใจจนกระทั่งปัญศาจิ้หกเรื่องไปแล้วจนถ้าพัญศาอุกิ๋ึงอยู่เรื่องการอ่านเอกสารหยุดตั้งแต่นั้นมา แล้บำรุงมาใช่มันก็มาึ้นมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็หนักเข้าไปเรื่อ ย, อ ย, อยอๆไอ้ก้าวขึ้นจรมงๆแล้วเอาจริงๆก้าวขาไม่ออกแต่มันก็เห็นผล ท, ที่นั่นเสิยังทำยังไงถึงจะลําบากเราได้ผลแล้วก็ทําอย่างอื่นมันไม่ค่อยดีสําหรับนิสัยผมยังอดอดนอนเนี่ยผมลองแล้วนะไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้นะอดนอน ปรากฏา่าอดหลายวันก็อะไรยิ่งทื่อทื่อทื่ออ้าวทำไมหน้าถึงมีความแยบขายเรื่องสติสตังไม่เห็นมีอะไรทื่อเขาถื อ, อไม่ถูกเนี่ยปัดเลยนะโอดีคืนก็อดอ่ะมันก็ยิ่งทื่อเข้าไปไม่ได้เรื่องอยนี่ครับมาอดอาหารรู้มาได้นี่วิธีนี้ครับ นั่งตลอดลุ่งเลยถ้าถ้านั่งเอาแบบตลอดลุ่งเอาตายเขาว่านี่ได้ผลประจักรอันนี้โอราหานี้มันก็ได้ผลของมันไปเรื่อยเพราะนี้นมันจึงได้เป็นมาเรื่อยๆ เ, เ, เพราะเราทําหาผลประโยชน์ร่างกายจะก้ า, กก า, าวขาไม่ออกจต่จิตนี้มันสว่างสวัยเนี่ยมันก็เห็นอยู่นี่การหาความสุขทางร่างกายจริงอิ่มแล้วแล้วเดินมามานี่เหมือนม้าแข่งเพา กำลังมันขึ้นรวดเร็วแต่จิตจะ ไ, ไม่ได้ขึ้นง่ายนะยังต้องเลยพยุงกันตลอดก็น่าสนานอินเอาปากันเลิกกันนะแล้วมีอะไรไม่มีอยู่นะเอา้ก า, ากนันกลับน